152ในยะสําะสำคัญของการเป็นนักบวชชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นประเด็นที่มีแตกต่างกันของนักบวชกับครวาดนั้นมีในะสำคัญที่ต้องเข้าใจให้ท่องแท้ไม่เช่นนั้นผู้นั้นผิดพลาดได้อย่างมาก ผู้บวชนั้นคือผู้ขอโอกาสอย่างเต็มที่จากประชาชนทุกคนว่าสัญญานะว่าชีวิตนี้ขอออกมาปฏิบัติกรรมจัดเกตเท่านั้นขอไม่รับผิดชอบทางโลกส่วนตัวขอมาทำงานทางโลกส่วนรวมเท่านั้นเป็นคนสาธารณะคือเป็นคนสาธารณะให้สาธารณะเลี้ยงไว และขอทำงานให้สาธารณะช่วยสาธารณะเท่านั้นไม่มีแล้วครอบครัวส่วนตัวไม่มีแล้วพักพวกส่วนตัวโปรดยึดความจริงนี้ผู้ทำงานให้สาธารณะไม่ใช่คนรับจ้างไม่มีค่าจ้างแต่เป็นผู้ทำงานให้สังคมจริงๆคือผู้ทำงานให้ฟรี ด้วยความรู้ความสามารถเท่าที่ตนมีอย่างอิสระโดยมีข้อแม้แลกเปลี่ยนคือผู้บวชขอทิ้งสมบัติที่ครวะพึงมีมาจริงๆเรียกว่าโพคัคขันทาปหายะแปลว่าสละทรัพย์สินทางโลกออกหมดแล้วมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ และตัดขาดจากญาติโดยมาเป็นคนสาธารณะแล้วเรียกว่าญาติปริวัจังปัญญายะแปลว่าไม่มีญาติเลี้ยงไว้แล้วขอเพื่อประชาชนสาธารณะทุกคนช่วยสงเคราะห์ไว้ด้วยเจ้าค่ะชีวิตนี้ให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ชีวิตนี้เนื่องด้วยผู้อื่น ชีวิตนี้ขอพึ่งผู้อื่นเพื่อเป็นทางโปร่งสะดวกขึ้นไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตและครอบครัวขอเป็นคนสาธารณะจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุและทํางานด้วยความเป็นธรรมเท่าที่ไม่ผิดวินยัยเป็นการตอบแทนไม่ใช่คนเอาเงินหรือลาบแลกลาบตอบแทนจากผู้อื่น ปราปฏิพัธาเมชีวิกาเท่าที่ตนจะมีความรู้ความสามารถอย่างซื่อสัตย์จริงใจเต็มใจ